มภาพมีโอกาสได้มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน <c oughs> ในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิตผู้อยู่ในวงสาธนาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอทง วัดเด่นจะมาบอปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้อาธรรมภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> และในมือพูดมาถึงคำว่า มานั่งเทศน์ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าสายพระคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็เพ่อๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละเน็ตบงังเทอาจจะย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นไอธรรมะที่จะนําออกสู่ บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เพื่อว่ามีอะไรที่ขาดสุกบกกล่องก็ใไป่จะขอถื้อโอกาสขอไปทันู้ลูทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วย <c oughs> เรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบะการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม <c oughs> เกี่ปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุธทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วทั่วไปสมัยเมื่ออาตมายังเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะ และตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่ๆอายุมากแล้วแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึก จำนิกในการสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจ ว่าการทำสมาธิที่จะว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของสมเด็จตัส ม, มาสัมพุทติเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กัน เช่น ส, มสมัมมาสมาธิมิถาสมาธิสัมมาธิฏิมิถาทิฏฐิอะไรทํานองนี้เรื่องความจิตกับความถูกนั้นเราองค์มรรคจะยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทําสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่าละทิ้งของใครถูกของใครผิด จะไม่ขอนำมากล่าวในเรื่องผูกเรื่องจิตนั้นอยู่ที่ความตั้งใจด้วยเจตนาของผู้ทําถ้าผู้วามเป็นสมาธิมุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทําความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง เพืจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินตีเลยิเลสโรกปดหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นหลอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์แต่ใจที่ว่าเป็นสัมมาสมมาชิสความคิดเห็นของความรู้ความเห็น ข, ขั้นเหล่านั้นก็เป็นสัมมาชิสตินที่โดยวิสัยของการปฏิบัติ หรือปมติดปมทมที่เกิดขึ้นนั้นในระดับต้นๆนี่ก็ย่อมมีทั้งติดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในูมโพธิมีูมติดก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นติดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้น โอที่สำเร็จโซตาสกิทาตาอนาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จระอลัหันและทำไมจริงยังไม่สำเร็จระอลาลัยหันก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอรหันตธรรมยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนดัะนั้นความผิดความถูกนั้น เราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึงลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไร นี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกเพ่ะว่าสิ่งอื่นจิตสิ่งอื่นผูกนั้นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรจิตอะไรผูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วมาปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองจิตตัวเองผูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุด าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติหรื อ, ร อ, รอบำเพ็ญเพียพรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้ <c oughs> อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศ <c oughs> ที่นำมาเล่าต่ท่านทั้งหลายฟังก็เื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สาวก็จะได้นำเรื่องการ <c oughs> ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์สาวมาเล่าต่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์สาวเป็นพระเถระที่ ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านในการเต๋อไม่ได้ตอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดและออดีมาก และท่านอาจารย์เสาวสอนพระกรรมฐานที่อสอนคนภาวานานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวานาจะทําอย่างไรท่านอาจารย์เาสาวท่านจะบอกว่าภาวานาพุทโธสิภาวานาพุทโธแล้ว อ, <ล> อ, อรอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะบอกว่าอย่าถามพุทโธแปลว่าอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆและทำให้มากๆากทำให้ ท, นทนานิํานาญในเมื่อตั้งใจทาจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามนี้เราไปถามว่า <c oughs> ภาวนาพโพโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ลงมือทําแม้ว่าผู้เที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คําตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกติดถ้าในอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนสมาทานจากสำนักไหนก็ตามเป็นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาอลาลัยหันยบหนอะพองหนอหรือกําหนดนามโรคอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้อง ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังหรือว่าเอาจริงเอาจังเพื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้ง แต่และละครั้งขอให้ทําให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอาจารย์ท่านใดจะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องทําไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทําดีกว่า <c oughs> ทีนี้ใครที่จะขอทําความเข้าใจกับบรรดาท่าน โปรสนใจในการภาวนาทั้งหลายในการเสาวสอนให้บริกรรมภาวนาพุิ์โพธิพ์โพธิ <c oughs> พ์โธพธโธนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อโคธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคําบริกรรมภาวนา ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเดี๋ยวเราต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิใครจะภาวนาแบบนห้ยอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนา เกศจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้วจกศมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วเกศเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมา <c oughs> แต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่ แในว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปท่านั้นทำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเช่นยังภาวนาพธโพธิพ์ธโทโพธิพ์ธโทโพธิพ์ธโทโพธิ์หรือยกหนอพองหนอก็ตามในเมื่อใจสงบเคลิ้มเคลิมลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอเนียงพับทำบริกรรมภาวนาหายไปหมด เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างเก่งทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมาถะสมาทานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาจิตงสงบลงไปได้เพียงแค่สมถะสมาฐ า, า, านเท่านั้น จึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่เล็กเลี้ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกาย นอกจากความรู้สึกว่าเมี่กายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมาถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้แก่้งดูกายเรียกว่าตายยะตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดู้ลมหายใจแล้วเจตของผู้ภาวนาจดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติ แล้วเกตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นยังกายปลากรดก็เดือดเอากายยกตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเลือเอ็นกระดูกไปจนท้ออาการสามสิบสองก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถะสมฐานคืออัปปนาสมาธิ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ ทำอย่างนั้นลมหายใจปลาดกขึ้นในความรู้สึขก็กําหนดูลลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามโลลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปเกตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศ จ, จากความรู้สึกเมืคิดมีแต่จกตนิ่งอยู่เฉยอันนี้เิตเข้าไปสู่สมะถะ เจตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่ไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรติภาพโดย ส, สานทั้งปวง อย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผูภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้เิติของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะเ้าาหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็ไปเดินแแบผ่านสมาบัติไปอากาสานัญจายัจนะเิน ญ, ญานัญจายัจนะอากินจัญญายัจนะเนวสัญญาณาสัญญายัจณนะ ไปเดินสายสาศาสนาตามไปแต่พุทกับตามก็อาศัยกัน ถ, ถ้าใจสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นฌานเนี่ยทําให้เกิดจิตทีเรศต่างๆ <c oughs> ถ้ารู้เท่าไม่ถึงฌานก็ทํามันให้ให้ไะติดถ้าไปได้จิตติดสมาธิในขั้นฌานแล้วโฟมจิตโฟมใจจะไม่เกิดความรู้ หรือไม่เดินขั้นที่ปัสตนาอันนี้คือทางแวะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าเิดในเมื่อดูลมหายใจละเอียดเจี่ยงลงไปทุกทีทุกทีตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้แล้วว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้าตายจะหายไป ถ้าในนกว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอย่างไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้ง ในมาจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานแล้วมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างเพื่อนฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้า่าจิตเข้าไปอยในจิตอย่างเดียวกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ ล, ลึกไม่มีเรื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร กายจะนั่นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมาโลดอยู่ที่กายกายเป็นเครื่องโูดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกายในอมีกายเป็นเครื่องระลึกละระลึกอยู่ อ, อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของกายก็ตามเมื่ อ, อไหร เมื่อนั้นมหาสติปฐานก็เกิดขึ้นดียวความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ในตอนตอน้ตอนๆอาตมะได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อู่บริกรรมภาวนาจิตนีอาการสงบเกริมๆลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมาก เพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเคลิ้มเคลิมลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมาความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปดต า, นนาในขณะที่จิตสงบลงไปดูได้ระดับอุปจารสมาธิ ส่วนมากจะมีลักษณะซึ่งหลักเรื่องตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงหลงเดิมๆดิมแล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมายความสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสะออกไปจากทางตาทีนี้เมื่อความสว่างมันส่งกระแสะออกไปถึงไหนถึงไหนจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้นเมื่อเจตออกไปตามแสงสว่างย่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมา บางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพตนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นผู้ผีปีศาจในเมื่อเห็นโลกภาพต่าง ๆ, ๆเราก็จะไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดในความตั้งใจขึ้นมา สภาพจิบ ท, ที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเลซต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะเึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะใกล้ๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิต แต่แท้ที่จริงแล้วภาพในเม็ดต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากโยบ า, านที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกปิดนั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็หน้าอะไรบ้าง ทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกใ น, นเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามือ่อเร า, าอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> เมื่อภาวนาใจสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ปุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วมันก็แสดงภาพในเม็ดต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือประสบาการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นในเม็ดแล้วไปเอกใจสมาธิถอนภาพในเม็ดนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในไม่เห็นภาพในเม็ดเช่นเห็นเทวดาเป็นต้น แล้วจิตห้ติดอยู่กับเทวดาไปเห็นความสวยงามของเทวดาลนจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั่นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในมเมื่อรด้ว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างละ่ะก็เลยติดตอยห้อยตามเทวดานั่นไปซึ่งสดแท้แต่เทวดาก็จะพาไปที่ไหน ถ้าสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ <S <S ไปติดกับภาพในเนตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาเขาพาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราได้กว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพในเนตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้น ได้กลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผ่านของนักบําเพ็ญจิตบําเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเองแนะนําสั่งสอนว่าใ น, ในขณะที่เราทําสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กําหนดรู้ลงที่จิต ในเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นจะ่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพนเมิดหลอกปลวงเท่านั้นแต่สําหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอาในเม็ด น, น, นั้นมาเป็นเครื่องรูภของจิตมาเป็นเครื่องพิจะระารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกัน แต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงหลงนิมิตต่างๆตังที่กล่าวมาแล้วนั้นสําคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า <c oughs> ภาพในเม็ดต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเคยเจ้าคำนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงหนี้อะไรต่ออะไรทำรองนั้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพนิมตต่างๆขอยืนยันว่าภาพนิมตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพปะ น, นั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อเจสงบลงไปสู่ระดับอุปจาระสัมอุปจาระสมาธิ แล้วเจตของเราอยู่ในลักษณะซึ่งหลับซึ่งตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางครั้งก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพในเมตจะบังเกิดขึ้นและภาพในเมตา น, นั้นไม่ใช่ของจริงทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริง บางทีในตำหลับตำดาท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วครับองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงก็เพราะเหตุว่าในบางครั้งอาตมาได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเองว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรกอนเราเกิดมาทั้งทีนี่ ไหนๆเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายจริงพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากำหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งซึ่งห่างจากสร้างตายประมาณสองเมตรพอเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจ ด, ดูล่างกาย ร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่ความว่างพอเสร็จแล้วไอ้ความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นล่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี่ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทำให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราเพราะร่างกายมันนอนเหยียดจาวอยู่ไม่ไหวริงและสิ่งที่ให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวไป